จะเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆสองเรื่องเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กหญิงอายุแค่สิบสองขวบเองเด็กหญิงดวงอไทยมาพกความจริงว่าน้องชายคือน้องบอลเนี่ยไม่ใช่น้องแท้ๆด้วยแต่เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องอายุสิบขวบเป็นมะเร็ง ที่สมองมะเร็งที่สมองนี่ก็หลายแรงนะแล้วก็โอกาสรอดก็ห้าสิบห้าสิบถ้าเราเป็นเด็กหญิงดวงอาไทยนี่เรารู้ว่าน้องหรือลูกพี่ลูกน้องของเราเนี่ยเป็นมะเร็งโอกาสตายมีห้าสิบห้าสิบนี่เราจะทำอย่างไรก็คงได้แต่เสียใจ ได้แต่นึกห่วงนึกสงสารใช่ไหมเด็กหญิงหัวไทยก็เหมือนกันนะก็นึกห่วงนึกสงสารแต่ก็คิดว่าแค่นี้ไม่พอเขาคิดว่าเข้องอยากทาอะไรได้มากกว่า น, นี้แล้วเขาได้ทดําในสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีใครหรือเด็กอายุ12นี่อาจจะไม่ได้นึกมาก่อนก็ ค, คือว่า เขาลงมือวาดการ์ตูนการ์ตูนนี่ไม่ได้วาดให้น้องบอลอ่านนะแต่การ์ตูนนี่เขาวาดเพื่อที่จะพิมพ์ขายขายทำไมขายเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องบอลเดีกอายุสิบสองนะแม่นี่ก็ช่วยช่วยออกเงินพิมพ์หนังสือให้ กระตูนที่เด็กวาดนะก็ไม่ได้สวยงามอะไรแต่ปรากฏว่าพอคนซื้อเขาได้อ่านกระตูนนี้แล้วเขารู้ว่าเด็กหญิงดวงไทยเนี่ยวาดกระตูนนี้เพื่อที่จะช่วยลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็ช่วยกันอุดหนุนกันใหญ่จนกระทั่งหนังสือนี้ก็ขายหมดในเวลาไม่นาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเาไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เคยพิมพ์หนังสือมาก่อนแต่เขาก็กล้าที่จะพิมพ์แล้วปรากฏว่าเรื่องราวของน้องบอลก็แพร่กระจายไปทั่วเพราะว่าคนที่ซื้อการ์ตูนไปอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นพ่อแม่ของเด็กนะพ่อแม่ที่เป็นเพื่อนของแม่ดวงขไทยเขาซื้อไปอ่านเขาก็พูดกันไปพูดกันไปก็ ท้ายก็เลยบริจาคเงินกันใหญ่ทีแรกครอบครัวน้องบอลก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินรักษาหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้เงินจํานวนมากมาจากคนที่ซาบซึ้งในน้ําใจของเด็กหญิงดวงอาทิตย์ก็เลยบริจาคเงินจนกระทั่งต่อมาการรักษาพยาบาลก็ได้ผลน้องบอลก็อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเด็กหญิงดวงอาทิยก็มีความสุขมาก ที่เขาได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าเขาไม่ได้จบแค่นั้นนะเขาบอกว่าพอน้องบอลดีขึ้นแล้วเขาก็จะเขียนการ์ตูนขายต่อไปแต่ครานี้ไม่ได้ขายเพื่อที่จะเอาไปช่วยน้องบอลแต่ว่าจะไปช่วยเด็กยากจนช่วยนักเรียนยากจนที่อายุทยาแล้วก็ช่วยหาทุนให้กับหนีแพนด้าที่เชียงใหม่ อันนี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อสักสองปีที่แล้วอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนักศึกษานี้เองคืออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเอยชื่อบางคนก็อาจจะรู้จักเพราะว่าปีสองปีมานี้ก็ดังมากดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธเออเพราะว่าโฆษณา เรื่องดืมชูกําลังดาบตนลอยวิชัยสรยุทธ์เนี่ยเป็นคนปรางกู่และปรางกู่สิสเกนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่อ ง, องความแห้งแร้งมานานแล้ววันหนึ่งดาบตนลอยวิชัยก็เริ่มปลูกต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ไม่ได้มาจากไหนก็เอาเม็ดเนี่ยเอาไนน์เนี่ยมันมาเก็บมาจากที่ต่างๆโดยเฉพาะต้นตาลตอนหลังขยายเป็นต้นเสดาเอาไปปลูกทุกวัน ตอนเช้าก่อนไปทํำงนานถี่มอไซค์ไปปลูกตามริมถนนไม่ได้ปลูกที่ที่อยูตัวนะแกไม่มีที่ขนาดนั้นก็ไปปลูกตามที่สาธารณะริมถนนบ้างที่สาธารณะบ้างริมหนองน้ําบ้างก็ปลูกทุกเช้าและทุกเย็นเลิกงานก็ปลูกอีกแกปลูกเช่นนี้มากี่ปีรู้ไหม แปีตั้งแต่ปีสามศูนย์สามหนึ่งดาต้ตนลอยวิชัยเนี่ยก็ปลูกมาสิบแปดปีมีคนเขาคำนวณว่าปลูกอย่างเงียบได้ต้นไม้ประมาณสองล้านต้นพวกเรานี่มีใครเคยปลูกต้นไม้ถึงสองล้านต้นหลือเปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาได้ปลูกสองล้านต้นปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปรางปูนี่ก็มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยเขียวไปหมดโดยเฉพาะสองข้างทางแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็อาศัยต้นไม้ที่ดาต้นลอยวิชัยปลูกนี่แหละ เป็นเครื่องมือธรรมารกินพ้องคี้ปลูกสะตว์บ้างปลูกพืชกินได้บ้างพวกสแตว์หรือว่าต้นตาล น, นี้ก็เรียกว่าอามาผลไม้ของมันนี้เอาก็อามาใช้ประโยชน์ดได้ชาวบ้านเนี่ยเวลาจะเอาต้นตาล น, นี้ก็เอาลูกตาล น, นี้ก็นึกถึงหนาตวัวฤๅษชัยซึ่งผิดกับตอนแรกๆตอนแรกๆนี่ใครๆก็หาว่าแกบ้าไปปลูกที่คนอื่นเขาแล้วปลูกงี่ได้ผลได้ยังไง ดาตุลวิชัยนี่ก็เป็นคนที่มีความรู้แกก็ศึกษาดูว่าต้นตาลเนี่ยมันขึ้นที่ไหนนี่มันก็โตที่นั่นนะเพราะว่าตัวควายนี่ไม่กล้าเหยียบมันมีน้ําแหลงแกก็ปลูกตรงนี้แหละแล้วก็ขยายไปปลูกอย่างอื่นขี้เหล็กบ้างผักพื้นบ้านนี่แหละที่เป็นไม้ยืนต้นเดี๋ยวนี้คนก็ยกย่องดาตุลวิชยัยจนกระทั่งเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มชูกําลังเป็นเครื่องหมายของคนที่แรงใจไม่มีวันหมดนะ แต่ก่อนเขาหาว่าแสติไม่เต็มเติงแต่ตอนนี้เขาุดยกย่องมาเป็นคนนี้แรงใจไม่มีวันหมดแล้วก็ยังปลูกเรื่อยไปนะสองคนนี้เด็กจิงดวงไทยกับดาตวนวดวิชัยเนี่ยแตกต่างกันหลายอย่างในเรื่องของวัยในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือว่าความถนัดแล้วก็เป็นคนภูมิลาเนาคนละที่คนละทางเลยคนหนึ่งอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่อีสาน แต่สองคนที่เหมือนกันยังไงบ้างดวงอาทยกับดาตุลวิชัยนี่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างใจสู้กล้าแล้วก็มีน้ําใจไม่นิ่งดูดายอย่างแรกเลยคือไม่นิ่งดูดายแล้วก็กล้าคือกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแล้วก็กล้าทำในสิ่งซึ่งมองไม่เห็นผลเลยอะว่ามันจะได้ผลยังไงบ้างอย่างดวงอาทยเนี่ยก็ไม่เคย วาดกระตูนไม่เคยพิมพ์กระตูนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้กระตูนจะขายได้หรือเปล่าแต่แกก็กล้าที่จะทำเพราะว่านึกถึงน้องบอลอยากจะช่วยความที่อยากช่วยความที่มีน้ำใจทำให้กล้าและไม่นิ่งดูได้คือบางคนเนี่ยพอเห็นปัญหาแล้วก็โอ้ยฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วน้องบอลเป็นมันเลงไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่ให้กาลังใจแต่ว่าน้อง ดวงถ่ายนี่แกมันคิดว่ามันให้กําลังใจอย่างนี้ไม่พอต้องลงมือทําด้วยนี่เรียกว่าไม่นิ่งดูดายและกล้าทั้งหมดนี้เริ่มจากความมีน้ําใจอยากจะช่วยแต่ตุวลวิชัยก็เหมือนกันบ้านเกิดของตัวเองนี่มันสภาพเสื่อมโทรมแล้วเกินก็อยากจะช่วยแต่ไม่ใช่แค่ใหญ่เฉยลงมือทำแม้จะทําคนเดียวก็ทำแม้จะถูกคนหาว่าบ้าก็ไม่ย่อท้อ นี่เลว่าต้องมีความกล้ากล้าที่จะทำดีเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยกล้าทำชั่วกลัวทำดีคนเดี๋ยวนี้นะจำนวนมากเลยนะกล้าทำชั่วแต่กลัวทำดีเวลาจะทำดีนี่กลัวกลัวว่าคนเขาจะว่ากลัวก็จะว่าหาว่าบ้าเวลาทำดีนะแต่เวลาทำชั่วนี่โอ้ยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยจะไปตีใครนี่ไม่เคยกลัวเลยว่าคนเขาจะด่าพ่อร้อแม่กันยังไงบ้าง ขอไปตีกันซะ ก, ก่อนแต่เวลาทําดีเนี่ยตัวอายสองคนนี้เนี่ยเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็ไม่นิ่งดูดายมุ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะเป็นคนใกล้ตัวก็ดีหรือว่าจะเป็นบ้านเกิดก็ดีหรือจะเป็นส่วนรวมก็ดีนี่แหละคือคุณสมบัติเบื้องต้นของคนดีคนที่เกิดมา คุ้มค่ากับชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยก็คือว่าการได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการเสียสละการมีน้ำใจนุชเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยจะต้องทำตรงนี้ให้ได้ก็คือมีน้ำใจเสียสละคิดถึงผู้อื่นแล้วก็กล้าที่จะทำความดีไม่นิ่งดูได้ที่จริงแล้วเนี่ย เราไม่ต้องมองเป็นการเสียสละ ก, ก็ได้เราอาจจะมองว่ามันเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเป็นการตอบแทนบุญคุณโลกอย่างต้นไม้เนี่ยเรานึกดูซิต้นไม้เนี่ยให้น้ําให้อากาศให้ออกซิเจนต้นไม้ขายออกซิเจนต้นไม้ขายน้ําต้นไม้ให้ผลไม้ต้นไม้ให้ลมเงาต้นไม้ให้ที่พักพิงแก่สิ่งมีชีวิตต่างๆทําทไมต้นไม้ถึงทำอย่างนั้น เราจะหมอเป็นการตอบแทนโลกก็ได้เพราะว่าต้นไม้นี่กว่าจะเติบโตไม่ได้นี่ก็ดูดน้ำจากดินนะดูดแร่ธาตุจากดิ น, นะดดา จ, าดนจนกระทั่งโตแต่พอโตแล้วเนี่ยต้นไม้ก็ทำประโยชน์ให้แก่โลกมากแม้แต่ใบก็ทิ้งลงมาเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยนะเราลองนึกเวลาเรามองต้นไม้เนี่ยขอให้เอาต้นไม้เป็นครูบาอาจารย์บ้างว่าต้นไม้นี้ได้ทาประโยชน์ให้แก สรรพสัตว์ยังไงบ้างให้แก่พื้นดินให้แก่สัตว์ต่างๆแม้แต่กาฝากต้นไทรเนี่ยมีบางชนิดที่มันเป็นกาฝากคือมันเกิดขึ้นมาบนต้นไม้ไหนเนี่ยมันก็จะไปรัดต้นไม้นั้นจนตายพวเเคยเห็นไหต้นไทรที่มันรัดต้นไม้ที่มันที่มันอาศัยเป็นที่เกิดเนี่ยจนตายแต่ต้นกาฝากเหล่านี้เนี่ยดูให้ดีๆนะมันก็มีประโยชน์นะอย่างต้นไทรเนี่ยมันเป็นที่อาศัยของสัตว์ ชนิดต่างๆเนี่ยมีคนนับดูเนี่ยประมาณสามสิบกว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นพวกกระลอกกระแตที่มากินผลไม้ของมันแล้วยังเป็นที่อาศัยของพวกมอสพวกไลเค้นต่างๆอีกถนากาฝากนะมันยังเป็นประโยชน์เลยที่วัดป่าผู้หลงเนี่ยป่ามหาวันจะมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมันเติบโตบนสร้างต้นไม้ที่มันเป็นที่อาศัยของมัน แต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ทำประโยชน์ให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายคนเราเกิดมาทั้งทีนี่อย่าให้แพ้ต้นไม้เหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเราลองนึกดูว่ากว่าเราจะเติบโตขึ้นมาทุกวันนี้นี่เราอาศัยสิ่งมีชีวิตต่างๆนี้มากมายมีไก่ปลากี่ตัวแล้วที่กลายมาเป็นอาหารให้แกเรา ไ ก, ก่ปลาหมูวัวกี่ตัวแล้วที่กลายเป็นอาหารให้แกเรากี่คนแล้วที่เขาทาประโยชน์ให้แกเราเพื่อที่ให้เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องตอบแทนบุญคุณด้วยการทําประโยชน์ให้แก่โลกมีลุงคนหนึ่งเนี่ยแกขุดขุดหลุมอยู่เพื่อนบางก็ถามว่าลุงทำอะไรลุงก็บอกว่ากําลังปลูกมะม่วงเพื่อนมาก็ถามว่าแล้วลุงจะได้กินมะม่วงที่ลุงปลูกเหรอเพราะลุงก็อายุมากแล้ว ลุงบอกว่าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรก็ฉันกินของคนอื่นมามากแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องปลูกเพื่อให้คนอื่นเขาได้กินบ้างลุงปลูกต้นไม้เพื่อตอบแทนบุญคุณเพราะว่าลุงเนี่ยกินมะม่วงที่คนอื่นปลูกเนี่ยมามานานแล้วแต่อย่ารอว่าต้องแก่ถึงจะทําเช่นนั้นเพราะทุกวันนี้เนี่ยกว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นี่ถึงวันนี้ได้นี่เรากินมะม่วงของคนอื่นมาเยอะแล้ว เราอาศัยต้นไม้ของของคนอื่นมามากแล้วควรจะตอบแทนด้วยการปลูกต้นไม้ให้แก่โลกให้แก่ประเทศชาติให้แก่หมู่บ้านของเราบ้างอย่าไปคิดเป็นการเสียซะแต่คิดเป็นการตอบแทนบุญคุณเพราะการตอบแทนบุญคุณนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีที่หายได้ยามีสองอย่างหนึ่งคนที่รู้คุณสองคนที่ตอบแทนคุณของผู้อื่นกระตันยูกะตะเวที ถ้าเราไม่มีตรงนี้นี่เราก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีไม่ได้และเราจะภูมิใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยมองอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือว่าไม่ต้องเป็นการตอบแทนบุญคุณก็ได้ให้ถือว่าเป็นการช่วยตัวเองในระยะยาวเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองในระยะยาวเพราะเมื่อเราทำความดีช่วยเหลือสังคมสังคมดีแล้วเราก็พอยดีไปด้วย เมื่อเราทําให้เหมาเฉลยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเราก็พลอยได้รับส่วนบุญนั้นไปด้วยอันนี้จะเรียกว่าเป็นการทําด้วยความเห็นแก่ตัวก็ได้แต่เป็นความเห็นแก่ตัวเองฉลาดคิดแบบนี้ดูก็ยังดีนะเพราะว่ามันดีกว่าเห็นแก่ตัวด้วยการไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเอาเปรียบสังคมหรือการคอร์รัปชันแต่เราช่วยเหลือสังคมด้วยความเห็นแก่ตัวที่ฉลาดคิดแบบนี้ก็ยัง ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีกองถ่ายสารคดีเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยแกเคยไปทําสารคดีในต่างจังหวัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนที่เรานี่ก็เป็นนักทําสารคดีชื่อดังชื่อนิลมนเมธีสุวัคุลรายการทุกแสงตะวันขณะที่กําลังพักพรออยู่จากการถ่ายทำํำก็มีคุณป้าเนี่ยพิวปลาตัวใหญ่มาสองสามตัวแล้วคุณป้าก็ถาม คนในกองถ่ายว่านี่หนูรู้ไหมว่าทํายังไงถึงจะกินปลาพวกนี้ให้กินได้นานทำอะไรนี้กินได้นานปลาพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ถกเถีกันใหญ่เลยว่าทําังไงถึงจะกินได้นานเอาไปหมักเอาไปตากหรือเอาไปทาปลาละใส่เกลือคุณป้าบอกว่าผิดหมดเลยวิธีที่จะกินปลาได้นานคือเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านในทั่วถึงตาเาไปแบ่งเพื่อนบ้านทั่วถึงนี่จะกินได้นาน ทำมถึงกิได้นาน here, him, there, there, there, เมื่อเราไปแบ่งให้เขาเขาก็ซาบซึ้งน้าใจเราเมื่อถึงเวลาเขามีเขาก็มาแบ่งให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นในตัวที่ฉลาดก็คือการไปช่วยเหลือผู้อื่นการมีน้ําใจผู้อื่นเพราะว่าถึงเวลาที่เราลําบากเขาก็จะช่วยเรานี่คิดแบบเพ้ยก็ตัวที่สุดเลยมันก็ยังดีกว่าเพราะคนสมัยก่อนที่ก็บอกว่าใครที่เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยเป็นคนที่โง่ใครที่เอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนที่โง่เพราะว่า คุณเอาเปรียบเขาคุณอาจจะได้กินประเดี๋ยวประดาแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ลำบากถึงเวลาคุณลำบากไม่มีใครช่วยคุณฉังนั้นการทำตัวให้เป็นประโยชน์การมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยควรจะต้องทำเป็นอย่างแรกต้องถือว่าเนี่ยจุดหมายของชีวิตของลังของคนเราเนี่ยก็คือการทาความดีการมีน้าใจการช่วยเหลือผู้อื่นแต่คราวนี้ การทำความดีการทำตัวเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นด้วยก็คือว่าทำอย่างไรมันถึงจะไม่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนอาจารย์พุทธทาบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์คือมีน้าใจเอื้อเฟื้อกื้อกูลผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันก็ ต้องรู้จักวิธีที่จะทําให้ใจนี้ไม่ทุกข์ไปกับความทุกข์ของผู้อื่นด้วยทํำยังไงเราถึงจะทําตนให้เป็นทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาความมีเงินเยอะๆไม่ใช่ว่าช่วยคนอื่นแล้วเราต้องรวยไม่ใช่ว่าช่วยคนอื่นแล้วเราต้องมีชื่อมีเสียงไม่ใช่แต่หมายความช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยแต่ว่าใจเราไม่เป็นทุกข์เพราะบางทีเนี่ยเราช่วยคนอื่นได้ไม่เต็มที่เขาไม่ ไม่สุขสบายอย่างที่เรานึกเราก็ทุกข์เราต้องรู้จักวิธีทําใจให้สงบเย็นด้วยอันนี้เรียกเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนไม่ได้หมายถึงมีชื่อเสียงมีเงินมีทองล่ลํารวยไม่ใช่แต่หมายถึงว่าสามารถที่จะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองได้สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเวลามีสิ่งไม่สมหวังมากระทบคนเราเนี่ยเวลาทําความดีแล้วเราก็ หวังจะให้เขาดีแต่ว่าบางทีเขาไม่ดีอย่างที่เรานึกเราก็อย่าทุกข์หรือว่าเวลาเราทำแล้วก็ตามมีอะไรมากระทบใจเราถ้าเราวางจิตวางใจไม่เป็นเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทำความดีการมีน้ำใจแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักการรักษาใจของเราเนี่ยให้สงบเย็นไม่ทุกข์ด้วยและตรงนี้แหละเป็นศิล ป, ปะในการดำเนินชีวิตซึ่งเราควรจะเอามาเป็นจุดหมายของเราคนเรานี่มันทุกข์ได้หลายอย่างนะ อย่างที่คุณวัเทพก็ได้ทํากิจกรรมให้เราเนี่ยคนเราทุกวันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินหายหรือว่าอยากได้นะแต่ว่าไม่ได้ข้าวของถูกคนขโมยไปถูกคนเอาเปรียบไปกิจการล้มละลายนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายก็คือว่าเจ็บป่วยสามเป็นเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์อกหักคนตําหนิ เราทำดีแล้วคนไม่เห็นความดีของเราทะเลาะ ก, กับผู้อื่นขัดแย้งกับพ่อแม่นี่เป็นเรื่องความสัมพันธ์อันที่สี่เป็นเรื่องงานการหรือเรื่องการเรียนเรื่องงานการเรื่องการเรียนเรียนได้ไม่ดีตกงานหรือว่างานไม่เจริญก็หน้าทำแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าทําแล้วมีงานล้มเหลวคนเราเนี่ยจะทุกข์ก็หนีไม่พ้นสี่อย่างเนี่ยแต่ข้างบนนี้เนี่ย มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยมีธรรมะเอาไว้รักษาใจเงินหายแต่ถ้าวางใจให้เป็นมันก็ไม่ทุกข์เจ็บป่วยแต่ก็ยังบอกว่าโชคดีที่เป็นมันเลงตกงานก็บอกว่าดีเหมือนกันไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าจะได้กลับไปบ้านดูแลพ่อแม่ ไอตอนที่ได้ทำงานเนี่ยโอ้มันไม่มีเวลากลับบ้านเลยตกงานก็ดีเหมือนกันกลัไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปดูแลพ่อแม่ไปทำงานที่บ้านเกิดอกหักก็ดีเหมือนกันดียังไงดีกว่ารักไม่เป็นใช่ไหมบางทีอกหักก็ดีนะเพราะทำให้เราได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองเพราะมีแฟนแล้วโอ้มันต้องเอาแต่คุณคิดถึงเา้าต้องคอยดูแลเ อ, เอาใจเขา ไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันหลับอันนอนคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาเพราะอกาสเขาเมินหน้านี้ก็จะได้ตัดใจเราจะได้ทํามาหากินหรือว่าเราได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่เสร็ทีมันอยู่ที่ใจนะเราต้องรักษาใจให้เป็นวิธีการรักษาใจให้เป็นอย่างนี้คือการรู้จักมองแง่ดีบ้างมองเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราไอ้ความทุกข์เนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้มันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันเราต้องมองให้เป็น ถ้าเราหมอไม่เป็นเราก็ทุกข์อย่างเรื่องของเด็กสองคนแม่กำลังทำกับข้าวก็ให้ลูกเนี่ยคนโตเนี่ยไปซื้อน้ำปลามาลูกไปซื้อเสร็จมาขวดหนึ่งกลับมาบ้านสะดุดก้อนหินล้มขวดน้ำปลาหลุดมือปอกพามาได้น้ำปลาหกไปครึ่งขวดก็กลับไปบอกแม่ว่าแม่แย่จังเลยวันนี้ ทำน้ำปลาหกไปครึ่งขวดอธิต่อมาแม่ก็ให้ลูกคนที่สองเนี่ยไปซื้อน้ำปลามาลูกก็ซื้อมาเดินกลับมากลางทางสะดุดหลุมกลางทางล้มแต่ว่าคว้าเอาไว้ได้ทันก็ไปบอกแม่ว่าแม่วันนี้เดินสะดุดหลุมแต่โชคดี ฟขวดน้ำปลำป า, ไป า, า, ำปาไม่ได้ทันเหลือต้องครึ่งขวดคนแรกบอกแย่จังน้ำปลาหกไปต้องครึ่งขวดแต่คนที่สองบอกว่าโชคดีฟวาน้ำปลาไม่ได้ทันเหลือต้องครึ่งขวดสองคนนี่นี่เหตุการณ์อย่างเดียวกันเลยนะใช่ไหมแต่ว่าคนหนึ่งบอกแย่น้ำปลาเหลือหายไปครึ่งขวดอีกคนหนึ่งบอกมีน้ำปลาเหลือต้องครึ่งขวดเราอยากเป็นแบบเด็กคนไหนะคนที่สองแล้วเคยเคยคิดแบบนี้บ้างไหมเวลาเงินหาย อ, อ่ะ ทำไงถึงจะมองว่าเป็นแง่ดีบ้างเงินหายร้อยบาทมองให้เป็นแง่ดีได้ยังไงเงินหายร้อยบาทเคยนึกมหมเงินหายร้อยบาทดีกว่าหายพันบาทหายร้อยบาทดีกว่าเจ็บดีกว่าไม่สบายหายร้อยบาทดีกว่าโทรศัพท์มือถือหายเคยมองอย่างนี้บ้างไหมอกหักก็ดีกว่าร่างไม่เป็นตกงานก็ยังมีข้อดีก็คือได้กลับไปทํางานที่บ้านกลับไปดูแลพ่อแม่ คือเราต้องลองมองด้านที่ดีของมันบ้างเวลาเป็นโรคกระเพาะเวลาปวดฟันเนี่ยปวดหัวเนี่ยเคยนึกแบบนี้บ้างไหมว่าเออดีกว่าดีกว่าเป็นโรคปวดใจดีกว่าเป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นมะเร็งล่ะทำยังไงมีเด็กคนหนึ่งหน้าอายุแค่สิบสีเองอ่ะเป็นมะเร็งที่สมองคนไปเยี่ยมสังเกตว่าเด็กคนนี้นี่สีหน้าท่าทางแช่มชื้นมาก พูดคุยอะไรก็เป็นปกติคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเขาโชคดีนะที่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกยายก็เป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยแต่เขาบอกเขาโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเคยมองแบบนี้บ้างไหมแล้นเวลานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เช่นของหายหรือว่าสอบได้ไม่ดีหรือว่าทะเอลาะ ก, กับเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจลองนิกถึงคนเหล่านี้ดูบ้างว่า เขานี่เขาเจอทุกมาแค่ไหนเนี่ยเาก็ยังมองให้มันเป็นของดีได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าดีที่ไม่แย่ไปกว่านั้นเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยมันก็มีดีหลายอย่างนะทำให้เราอยู่กับที่ได้อยู่กับที่จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเล่นมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาศึกษาวิชาความรู้มีเวลาทำสมาธิปกติแล้วนี่บางทีเพื่อนก็ชวนไปเที่ยว เวลาเรียนหนังสืออะไรเพราะเอาแต่เที่ยวพ็ร่างกายมีสุขภาพดีมีกําลังวังชาแต่พอป่วยแล้วนี่ไม่มีใครชวนเราไปเที่ยวละเราก็มีเวลาดูหนังสือทั้งหามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเหมือนกระเด็กบางคนเป็นมะเร็งเขาบอกว่าช่วงที่เขาเป็นมะเร็งนี่เป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุดเลยเพราะได้อยู่ใกล้ชิด ก, กับพ่อแม่ได้อยู่ใกล้ชิด ก, กับครอบครัวเพราะว่าแต่ก่อนนี้พ่อแม่ก็เอาแต่ทํางานไม่มีเวลาให้ลูกแต่พอลูกป่วยเป็นมะเร็งโอ้ พ่อแม่นี่มาลาออกจากงานเลยมาดูแลลูกได้ใกล้ชิดกันเพราะนั่นนี่แล้วนักศึกษานี่เวลาเงินหายโทรศัพท์มือถือหายหรือโทรศัพท์มือถือมันรุ่นเก่าไม่ทันสมัยลองมองให้เป็นบั่งจิตใจเด็จะได้สงบเย็นเด็กบางคนร้องไห้จะให้แม่ซื้อรองเท้าเพราะเดินตีนเปล่าแต่พอเห็นเด็กอีกคนหนึ่งขาขาด นั่งขอทานอยู่แต่เลิกร้องไห้เลยทําไมถึงเลิกร้องไห้ทําไมเด็กถึงเลิกร้องไห้อยากได้รองเท้าให้แม่ซื้อรองเท้าให้แต่พอเจอเด็กอีกคนหนึ่งเขาไม่มีขากําลังขอทานอยู่เลิกเลยเลิกร้องไห้เพราะอะไรเลิกร้องไห้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีขาถึงแม่ไม่มีรองเท้าแม่พวกเราเนี่ย นะเวลาเวลาจะทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องทรัพย์สมบัติก็ดีเรื่องงานเรื่องการเรียนก็ดีเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีหรือเรื่องสุขภาพร่างกายก็ดีลองนึกถึงคนที่เขาลำบากกว่าดูบ้างการตีหกชกหัวมันก็จะลดน้อยลงไปนอกจากการมองเห็นแง่ดีแล้วเนี่ยนะการที่เราหักฝึกใจให้มีสติก็ช่วยได้มากนะเพราะว่าคนเรานี่มันทุกข์เพราะใจทุกข์เพราะความคิด ทุกขจัยเนี่ยไม่มีสติปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามความโกรธปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามความโลภและชอบไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดชอบไปฟังเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเอามาลกหัวตัวเองไม่รู้เคยเลให้ฟังเรื่องหลวงปูบงป่บุตรดาหลวงปู่บุตดาเนี่ยได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปฉันที่กรุงเทพท่านอยู่สิงห์บุรีฉันเพเสร็จ เจ้าภาพก็เห็นท่านอายุมากแล้วนะท่านมรณะภาพอายุร้อยเอ็ดปีท่านกออ็อายุมากแล้วแก่แล้วก็อยายให้ท่านพักก่อนแล้วค่อยกลับไปสิงบุรีก็จัดที่พักให้เป็นห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นก็ขณะที่หลวงปูป่บุญดานอนอยู่ก็มีลูกศิษย์ลูกหานั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาก็พูดคุยกระซิบกระซาบกันเพื่อไม่ให้รบกวนหลวงปู่พอออใน ห้องข้างๆนี่เป็นห้องแถวเป็นร้านค้าเจ้าของร้านนี่เป็นเป็นซิมผู้หญิงคนจีนเขาก็สวมเกีย้ยเดินขึ้นลงขึ้นลงก็เสียงดังดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปูป่บุญดากําลังเอนอยู่เพรู้สึกก็เลยบ่นขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยหลวงปู่บุญดาท่านหลับอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับไปด้วยท่านเพียงแค่หลับตาได้ยินก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเร า, เาหูไปลองเกีย้ยเขาเอง เร า, เาหูไปลองเกีย้ยเขาเองเนี่ยคนเราทุกเนี่ยเพราหูหาเรื่องอ่นะหูหาเรื่อ ง, นะองใครพูดอะไรไปก็คอยเอาหูเนี่ยไปฟังว่าเขาว่าอะไรฉันมันนีเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเห็นเขากระซิบกบระซาบกันก็ไปปรุงแต่ว่าเขากำลังดินทาฉันเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งปรุงแต่งเพราะไม่มีสติแล้วเราที่ต้องมีสตินะการมีสติจะใช้ไม่ใจอะไรนี้ไม่ปรุงแต่งไปตามไอ้ความคิดเหล่านี้ ใครพูดเสียงดังก็ปล่อยเขาพูดไปเราไม่ฟังเสียอย่างมีเนรคนหนึ่งนี่แกลาคาญเสียงหมามากเลยหมาในวัดนี่มันส่งเสียงดังเนนก็ตะโกนดา่าหยุดสักทีอยู่สักทีหมาไม่หยุดมันก็เอาก้อนหินขว้างหลวงพ่อเนี่ยเห็นอย่างนี้หลายวันก็เลยบอกว่าเนนหูของหมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากหมาแค่ไม่ถึงคืบมันยังไม่ลาคาญเลยแล้วเนรเนี่ยอยู่ห่างจากปากหมาต้องเป็นโยดนี่จะลาคาญทําไมก็อย่าไปฟังมันสิ เพราเราเนี่ยเวลาเพื่อนเขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราอย่าไปฟังเขาก็แค่นั้นเองใครเขาจะดินทาเราก็ไม่ฟังแต่ปกติเนี่ยคนเราเป็นยังไงเวลาพอรู้ว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยมีคนดินทาเธอเราทํำยังไงเราจะถามเลยว่าเขาดินทาว่าอะไรทั้งน้นที่พอรู้ว่าเขาดินทาว่าอะไรเนี่ยรู้ไปก็ทุกข์แล้วอยากรู้ไปทําไมเพื่อไม่บอกนะเพื่อพยายามไม่บอกว่าเขาพูดว่าอย่างไงกับเธอเขาพูดดินทาเธอว่ายังไง เราก็ยังอยากจะไปถามนั่นแหละซักไซส์แคะ์ใครให้ได้ว่าเขาพูดกับถึงฉันว่ายังไงเขาว่าฉันว่ายังไงเขานิเท้าฉันว่ายังไงอยากรู้ไปทำไมอะรู้ไปก็ทุกข์แต่ทำไมอยากรู้อันนี้เราเป็นจิตมาโซคิดใว่า ม, มาโซคิดคืออยากจะมีความสุขกับการรับรู้เรื่องทุกข์มีความสุขกับการทำร้ายตัวเองรู้ว่าเขานินท้าแล้วก็ยิงอยากไปแครไคให้รู้ให้ได้ว่าเขาพูดว่ายัางไง และทางหน้าที่รู้แล้วก็ทุกสู้ไม่สนใจดีกว่าจะไปสนใจเลยนะเนี่ยเราต้องรู้จักมีสติในการทําจิตให้เราไม่ทุกข์เนื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ย ม, มันสําคัญถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นนะไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยไม่ว่าทรัพย์สมบัติจะสูญหายพัดพรากนะไม่ว่าคนรักจะไม่เข้าใจจะขัดแย้งกับใครหรือไม่ว่างานการ หรือการเรียนจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราวางใจให้เป็นเนี่ยมันไม่ทุกนะและนี่แหละคือศิลปะในการทำชีวิตให้สงบเย็นจุดหมายของชีวิตคนเราเนี่ยมีแค่สองอย่างพอไม่ต้องมากอย่างที่ท่านอาจาพุทธทาสว่าคือหนึ่งสงบเย็นสองเป็นประโยชน์ให้ได้ทักสองอย่างแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้สองอย่างก็ได้สักหนึ่งอย่างก็ยังดีไม่ใช่ไม่ได้เลยก็คือว่า ชีวิตทั้งชีวิตก็เอาแต่เอาเปรียบคนอื่นสร้างความรงคานให้แก่ผู้อื่นและขณะเดียวกันก็ไม่รู้จักทำความสงบให้ให้แก่จิตใจจิตใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเครียดเกลียดโกรธพยาบาทกระสับกระส่ายไปกินเหล้าก็ไม่หายไปเที่ยวก็ไม่หายหายชั่วคราวเดี๋ยวนี้คนไทยเครียดกันมากนะทั้งทั้งที่มีความสุขอยู่รอบตัวแต่เครียดมากแลวคนเราเนี่ย ถ้าทําวางเป้าหมายไว้แค่2 อ, อย่างในชีวิตแค่เนี่ยพอแล้วสงบเย็นและเป็นประโยชน์ข อ, อให้ดูอย่างต้นไม้ต้นไม้เนี้ยทำประโยชน์ให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายทําประโยชน์ให้แก่โลกให้อาหารให้ผลไม้ให้ดอกไม้ให้ลมเงาให้ที่พักพิงแก่สัตว์ต่างๆมาทํารังขณะเดียวกันต้นไม้เนี้ยก็รู้จั ก, จกทําปือให้แก่ตนเอง เอาขยะเอาสิ่งปฏิกูลเอาขี้เอาอุจจาระเอาซากสัตว์มากองมาเทลงไปของเร็วๆทั้งนั้นต้นไม้ทำยังไงต้นไม้เปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยและเปลี่ยนปุ๋ยให้กลายเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ต้นไม้เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นประโยชน์เราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ ให้กลายเป็นความสุขความสมงบเย็นเจอทุกที่ไหนเปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์ให้กลายเป็นของดีใครเขาตาหนิมาไม่โกรธใครเขาด่ามาไม่โกรธเปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์ก็คือเอามาเป็นข้อชี้แนะปรับปรุงตัวเองมีบางคนก็บอกว่าวันไหนไม่ตําหนิวันนั้นเป็นอันปมงคลเจ้าของเมืองโบรานเขาว่าเป็นคติของเขาวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลคือคําตําหนิสำหรับเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นมงคล คือกลายเป็นข้อชี้นแนะชี้ น, นำชีวิตนี่คือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยให้กลายเป็นดอกไม้และถ้าทำอย่างนี้ได้ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์